ท่าโควิดอยากจะกเรียนถามวิธีปฏิบัติทำง่ายๆนะฮะที่มันเข้าถึงชีวิตจิตใจเพรามันือตัวเองรู้อะไรน้อยลงน้อยลงทุกทีแต่ฟังันนั้นก็รู้สึกตัวได้ดอีกขึ้น <laughs> เป็นสับชวนที่แปลกความรู้ที่เราเก็บเกี่ยวกับภายนอกนนม่ยังอยู่ เมื่อเราเจ็บป่วยมันจะสูญเสียไปหมดจะมีสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นอยู่ไม่ว่านักปฏิบัติหรือไ ม, ม่ใช่้ความรู้ตัวคงใช้คำว่า sense awareness ความรู้ตัวนัน่นเปนสิ่งที่แปลกไม่มีรูปร่างไม่มีปริมาตแต่มันก็อยู่กับเราจนมินานทีสุดท้ายของชีวิต ความรู้ตัวมันคำพูดง่ายนะแต่โดยสาระของมันเัิ่มยิ่งใหญ่ในตัวเองหมายความว่าเมืม่อเรารู้ตัวอยู่ความไม่รู้ตัวจะเข้ามาถึงนั่ <S <S นเป็นบทบาทของศัพธรรมที่ดำเนินไปอยู่ในหลายๆรุ่นนันทชนผมเชื่อว่าผู้รู้ข้างดีก็ เร่เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับทางตเองเคยทดลองปฏิบัติมาหลายวิธีแล้วนู่นได้ผลแต่ว่าผลนู่นไม่ยังอยู่คือพอเราไม่ทบทวนก็เลื่อน <c oughs> อท้ายที่สุดตุมเองมอบความไว้วางใจกับความรู้ตัวประการเดียวไม่ปฏิบัติอะไรนะ พอามื่อเรารู้ตัวนั้นความรู้ตัวจะมีมีพลังขึ้นทุกทีทีนะพลังในการทําลายสภาพลืมตัวหรือหังการเมืองการ <c oughs> ตรากใดทีเรารู้สึกตัวอยู่เราจะไม่ทําลายใครเลยนะไม้ว่าเธกายไม่วาจาโดยไม่ไมแต่ความคิดเพอสภาพรู้ตัวนั่นเอง เข้าไปรู้ไปเห็นในช่วงขณะที่ความคิดเคลื่อนไหวขึ้นมาดังนั้นเป็นการปกป้องตัวเองและก็ป้องกันคนอื่นได้ดีที่สุดพูดพูก็ได้ไม่มากค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกตัวได้นั้นเราจะพูดได้ไม่ได้ไม่สู้สำคัญมาก แล้วประการหนึ่งนั้นความรู้ตัวนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องจำเพาะตัวะะจริงๆนะครับที่จริงวามหมายของมันนั้ผมเองเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ป .4 ไอ้มัธยมศึกษาจะเอาประโยชน์ไมได้ะครับคือสังเกตเห็นนั้นหนึ่งว่ามีความรู้ตัวผมตั้งคําถามเล่นเพื่อนนะะถูกลงด้วยนะทำไมย ผมยิ่งรู้สึกตัวที่เดียวผมเมื่ออาจรู้สึกที่คุณรู้สึกได้บาคนข้อสำหรับสนทนาเ่อตอนผมยังเด็กแต่ข้อสังเกตนี้เอาประโยชน์ได้เลยครับเพราะมันมีรากฐานของอริยสัสสี่ลองรับซึ่งเป็นตัวประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับมีศัจตินวัดหว่านถึงความทุกข์ยากของลึกเชชาติความลบาบาก ทางกายทางใจการพัดพลาดจากสิ่งตัวเองลับก็เป็นทุกขสาหัสสังเกตดัง น, นั้นความรู้เรื่องอริสัตย์สี่ก็เป็นเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเอาประโยชน์จากความรู้สึกตัวได้ความรู้สึกตัวที่มีอรยสัตย์รองรับนั้น มันโค่นล้มได้ง่ายครับมันไม่ยังยืนไแต่ถ้ามีอริสสากในเรื่องประสบการณ์ในชีวิตที่เราเคยเป็นทุกข์หนักมาแล้วนียถ้ามีพื้นฐานที่รองรับเนี่ยก็เห็นประโยชน์ของการรู้สึกตัวได้ดีเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่ปักกระแสวงจรความคิดสืบต่อปกติเราเวลาเรามบางทีเนี่ยมันจะสืบต่อไปเรื่อยเนย แล้วผลข้างเคียงมันก็คือความทุกข์ความไม่ อ, อุ่ในในในจิตใจตัวเองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะครับว่าความรู้สึกตัวประการเดียวนั้นรวบรวมคุณธรรมมโนธรรมจริยธรรมให้หมดสิ้นจราบใดที่บุคคลรู้ตัวอยู่เขาไม่ทำลายใคร เพราะไม่มีเหตุผลในหลที่ทำร้ายคนคารทำร้ายผู้อื่นนั้นมีเหตุผลนในตัวเขาเองการทำร้ายผู้อื่นก็คือเริ่มต้นตรงทำร้ายตัวเองมปราคาสตีมากเท่าก็จะ็นน่นอนเป็นภาว ะ, ะวิกฤตในชีวิตกระดั้ พืพ้นฟื้นมาคนนี้นีนน่ยเพราะความรู้สึกตัวคอารู้สตัว <c oughs> คำพื้นนั้นฟังง่ายนะแต่ว่าการปฏิบัติให้ได้จริงต้องอาศัยความเพียรเบาๆแต่ต่อเนื่องเวารู้สึกตัวความเป็นธรรมชาติที่เบาๆอย่าง แ, แล้วไม่มีใครที่ไม่ไม่มีความรู้สึกตัวนี้งจะเด็กกันเท่าเพื่อแ หรือผมเชื่อว่าแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายขอชีวิตความรู้ตัวจะทำงานมากแสงไฟหรือดวงไะที่ส่องทาง